ยมูลกะในสามร้อเก้าสิบปดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากกลามวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสจักเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่ <łam S 1> ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกามวจรภูมิและปัจฉิมพวิกรบุคคลในรูบาวจรภูมิอรูบาวจรภูมิบริสินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดบริสินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ ปัจฉิมพวิกรบุคคลผู้มีปริจารเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตจินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ปุริจินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิและปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูบาวจรภูมิอรูบาวจรภูมิชีวิตจินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและปุริจินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุปุริจินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด สมนณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากกลามวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริจักเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกลางมวจรภูมิปัจชิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริชาเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมณสินสีก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิโสมณสินสีของบุคคลใดในภูมินใดไม่ใช่จากเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตภูธธมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปริสะเกิดได้และมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติแลบาริณิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังจุติสมนัิสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดอุบเบกินรีศศของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากคามวจรภูมิบุคคลผู้มีปรรุริชาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในคามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเป็คินตีไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในคาราวจรภูมิปัจถิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ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 และบุคคลเหล่าใดมีปุริสชาเกิดได้และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอุเบกขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกลางมวจรภูมิปัดทิพยวกะบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิและบุคคลเหล่าใดมีปุริสชาเกิดได้ และมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและวบริณิพานบุคคลเหล่านั้นกําลังจุติปุเปกหินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและปุริสินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุปุริสินรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตทินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากการมวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริจากเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในการมวจรภูมิ และบุ ian, คคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิปริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัดทินสีไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกางาวจรภูมิปัจฉิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู <screen medal. S 2> ้อ <clears throat> ุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิปริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัดทินสียก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิ สตินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกระบุคคลผู้มีปุริสสะเกิดได้กำลังอุบัติสตินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกรรมวจรภูมิปัจฉิมพวิกระบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัตินีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและปุริสนินีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุปุริสินีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินรีมณีนทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้คนลังจุติจากกลามวจรภูมิบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกลามวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จากไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามวจรภูมิปัดฉิมพวิเคราะบุคคลในรูปาวจรภูมิอารูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัสญญัตตภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิ มืิอหนินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดปุริสินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้มีปุริสจากเกิดได้กำลังอุบัติมืนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่ปุริสินซีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกางปาวจรภูมิปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูป hmm. าวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศนิสัตภูมิ มนินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและปุริสินทร์สก็ไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินทรียะมูลกระในจบชีวิตินทรียาโมลกะในสามร้อยเก้าสิบเ้าอนุชีวิตินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดสมณสินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากจัตโตวคารภูมิและปัญจโวการภูมิในพังขกณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมณะสินรีย์ไม่ใช่จากไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตภูมิ ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมนณสินทร์สก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโสมณสินทร์สีของบุคคลใดในภูมินใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัณะแห่งปัฏิมจิตปัฏิมจิตที่สัมปยุทธวยอเบขาจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทัณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิ สมนณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สจำปยุติอุเบขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในพังคขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้ควังจุติจากอสัญญสัตตภูมิสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและชีวิตินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุชีวิตินทรียของบุคคลใดในภูมินใดไม่ใช่กำลังเกิด อุเปกินรีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากจัตุโวการภูมิและปัญจวโวการภูมิในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตจรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเปกินรีไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมพยุต ด, ด้วยสมมนัติจักเกิดในลําดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้น บุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญาสัตูุธชีวิตินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอุเปกินทร์สีก็มไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเปกินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุติสมุนัะจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทัคณะแห่งจิตนั้น บุคคลผู้กำลังอุบัติในอ ส, นสัญญสัตตภูมิโอเปกินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่ชีวิตจินทรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังข้ากะณะแห่งปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมณัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในพังข้ณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิโอเปกินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและชีวิตจินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุ ชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสถินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากจัตุวกรภูมิและปัญจโวกรภูมิในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัถินทรีย์ไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตภูมิ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 บุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตวภูมิสัตินิยมของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุชีวิตินทร์ศีกของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินทรีย์มนินทรียมของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังค์ขณะแห่งจิตในประวัติการ ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรียีไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญัตตภูมิชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมน <im> ินทรีย <ật> ีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูม <portfolio> ินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต บุคคลผู้กำลัองอุบัติใน อ, ส, อสัญญัตตภูมิมนินีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้กำลังจุติจากอาสัญญัตตภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและชีวิตินทรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทริยะมูลกะในจบโซมนาสินทริยะมูลกะในสี่ร้อย อนุโสมนัสสิ น, นสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขนะแ ห, ห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัสโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเบกินสีไม่ใช่จักไม่เกิดในพังกคขนะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุจด้วยโสมนัส บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยอุเบกขาปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัสจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดในพังขัณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเบกินรียก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิอุเบกินรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสมนสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม ในอุปาทัคคณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นอุเบกขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพันธะณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขา ปฏิมาจิตที่สัมปะคุณได้โสมมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใ ด, ดในพังธกัณณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยในสัตตพูมอุเปกขินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและโสมนัสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโสมนสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินสีปัญญินสีมนินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิ ในพังค์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัสโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มณินรียไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุจด้วยโสมนัสบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุจด้วยอุเบกขาบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญัตตภูมิโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมณินรียก็ไม่ใช่จักเกิด มนินรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดสมณสินสีของบุคลกกบคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ท, ที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสมนินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสบุคคลผู้พร้อมเพเรียงด้วยปัจฉิมจิต ท, ที่สัมปยุทธด้วยอุเบกขา บุคคลผู้อุบัตอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมนนิทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและโสมนัสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดโสมนสินทลียะมูลกะในจบอุเปกินทลียะมูลกะในสี 401. ่ร้อยหนึ่งอนุอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตถินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังค้ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทัคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตยินรียไม่ใช่จากไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยอุเบกขาบุคลนนคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุตด้วยโสมนัสบุคคลผู้ อ, อุบัติอยู่ในอสศันยสัตตภูมิอุเบกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตยินรียก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิ สตินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดอุเบกินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทภณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยอุเบขาสตินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยอุเบขาบุคคลผู้พร้อมเปียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัส บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสัตถินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและอุเบกินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุอุเบกินซีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญินรีมณินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิในพังขณะแห่งจิต ข, ของบุคคลทั้งหมดในอุปาทพณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบคขา อุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มณินรียไม่ใช่จากแม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบคาบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสบุคคลผู้อุปาจุในอสัญญสัตตภูมิอุเปกินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินรียก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมณินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิด อุเบกินสีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทภาณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยอุเบกขามนิณรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่อุเบกินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่สัมปย er ุทธด้วยอุเบกขาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธด้วยโสมนัสและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตถ ภ, ภูมิมนิณรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกกเิด และอุเปกินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกินทริยมูลกะในจบสัตทินทริยมูลกะใน402อนุสัตทินรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัญญรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทภณะแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธา สัตตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญินทรียไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัตตินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปัญญินรีย์ ก, ก็ญญ ไ, มไม่ใช่จักเกิดปฏิปัญญีนีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดสัตตินทียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่สัตทินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้อุปายู่ในอสัญญสัตต ภ, ภ, ภูมิปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและสัตทินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุสัตทินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิในพังค้ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศัทธาสตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จากแม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสตินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินทรียก็ไม่ใช่จากเกิดปฏิมนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดสตินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตมนิณณ์สีของ บ, บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่สัจทินรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิต บ, บุคคลผู้อุปายูในอสัญญสัตตภมูมิมนิณณ์ส์ของ บ, บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและสัจทินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดสัจทินทริยะมูลกะในจบปัญญทริยะมูลกะในสี่ร้อยสามอนุ ปัญณินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมณีนินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทภณะแห่งจิตที่วิปยุจจากยานปัณญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มณีนินสีไม่ใช่จักไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตบุคคลผู้อุปาจูในอนในสัญญัตถ ภ, ภูมิปัญณินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด และมนินีศีก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนินรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดปัญินีศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งปัจติมจิตมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ปัญินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งปัติมจิตบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัญยสัตตภูมิมนินีศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิด และปัญญีสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัญญทริยะมูลกะในจบหอปติตานาคตะวาระอนุโลมบุคคลจะขุนทริยะมูลกะในสีร่าา ร, ร้อยสี่ อนุจากขุนสีของบุคคลใดเคยเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสตินรีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสตินรีก็จะเกิดปฏิโสตินศีของบุคคลใดจกเกิด จากขุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนศีของบุคคลใดเคยเกิดคาินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและในอรูปาวจรภูมิและปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คาินทรียไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด และคานนานรียก็จะเกิดปฏิคาเนินรีของบุคคลใดจกเกิดจากขุนรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนรีของบุคคลใดเคยเกิดอิทธินทรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏิมภวิกรบุคคลบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสะเกิดได้ ถธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อิทินศีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอิทินศีก็จกเกิดปฏิอิทินรีของบุคคลใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเก RIGHT? ิดใช่ไหมวิใช่อุจากขุนสีของบุคคลใดเคยเกิด ปุริสิณสีของบุคคลนั้นก็จกกัะเปลือใช่ไหมวิประชิมพรวิกะบุคคลบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปราวจรภูมิอะโรปราวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเทธิดได้เถอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ปุริสิณสีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด และปุริสินสีก็จะเกิดปฏิปุริสินสีของบุคคลใดจกเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนศี <the> ของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปฏิทินพวิกะบุคคลจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด และชีวิตินทร์สีก็จะเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนศีของบุคคลใดเคยเกิดสมณสิณรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมพวิตริบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากปุบัติแล้วปรินิพานจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สมณสิณรียไม่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี้จกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสมัสินสีว่าจะเกิดปฏิโสมัสินสีของบุคคลใดจกเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขุนสีของบุคคลใดเคยเกิดปุเปกินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจชิมพระวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีถีเป็นสมนัตจากอุบัติและปรินิพาน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 ปรชิมพวิกกะบุคคลจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินรีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินรีก็จะเกิดปฏิมนินรีของบุคคลใดจกเกิดจากขุนสีของบุคล ค, บคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่จากขุนทริยะมูลกะในจบค้าเนินทริยะมูลกะในสี่ร้อยห้าอนุ คาเนนรียของบุคคลใดเคยเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีปุริสาเกิดได้ถือปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ คานินนซีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอิทธินซีก็จะเกิดปฏิอิจธินซีของบุคคลใดจะเกิดคานินนซีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานนนซีของบุคคลใดเคยเกิดปุริสินซีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปจิมพวิกะบุคคลบุคคลเหล่าใดจกอุบััิในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและปรินิพาน และบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางพบโดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วปรินิพานคานิานทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่บุริสินรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้คานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและบุริสินรียก็กะะจะเกิดปฏิบุริสินรียของบุคคลใดจกเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานินทรียของบุคคลใดเคยเกิด ชีวิตินทร <us> nope. ียีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจชิมพวิกะบุคคลคานินทร์ีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ชีวิตินทรียีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้คานินทรียีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินทรียีก็จะเกิดปฏิชีวิตินทรียีของบุคคลใดจะเกิดคานินทร์ีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานินทร์ของบุคคลใดเคยเกิด สมณสินสีของบุคคลนั้นก็จากเกิดใช่ไหมวิประ จ, จิมภวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีถิเป็นอุเบกขาจากอุบัติและปรินิพานคานิานรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สมณสินสีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้คาณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสมณสินสีก็จากเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดจากเกิดคานินรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิใช่อนุคาเนนซีของบุคคลใดเคยเกิดอุเปขินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพรวิกรบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นสงมณาัจจาุบัติและปรินิพานคาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปขินซีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้คาเนนซีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปขินซีก็จะเกิดปฏิ ภูเปขินซีของบุคคลใดจกเกิดคาณินทรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคาณินทรียของบุคคลใดเคยเกิดสัตินรียปัญญินทรีย์มนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลคาณินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้คาณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินซีย์ก็จะเกิด ปฏิเนินทรียของบุคคลใดจกเกิดคลานินทรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่คลานินทริยะมูลกะในจบอิทินทริยะมูลกะใน406อนุอิทิทนรียของบุคคลใดเคยเกิดปุริสินรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชินพมภวิกกะบุคคลบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปราวจรภูมิอรูปราวจรภูมิ และปรินิพานและบุคคลเหล่าใดมีอิทธิเกิดได้เธอปฏิสนธิในบางภพโดยภาวะนั้นนั่นแหละและปรินิพานอิทธินิสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่บุริสินียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้อิทินิสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและบุริสินียก็จะเกิดปฏิบุริสินีย์ของบุคคลใดจกเกิดอิทธินิสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ อิจิณสีของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตจินทรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปจิมพวิกรบุคคลอิจินทรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ชีวิตจินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อิจินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตจินทรีย์ก็จะเกิดปฏิชีวิตจินทรีย์ของบุคคลใดจกเกิดอิจินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ อิทินสีของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัสสินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพระวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติและประินิพานอิท <um ินสีของบุคคลเหล่านั <t <t ้นเคยเกิดแต่โสมนัสสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อิทินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสมนัสสินสีก็จะเกิดปฏิโสมนัสสินสีของบุคคลใดจะเกิด อิทธิ น, ข อ, น, อ น, อนของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุอิทธินิสยของบุคคลใดเคยเกิดอุเบกินิสัยของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นโสมนัสจากอุบัติและปรินิพานอิทธินิสัยของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินิสัยไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อิทธินิสของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเบกินิสัยก็จะเกิด ปติอุเปกินรียของบุคคลใดจกเกิดอิทินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุอิทินรียของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินรียปัญยินรียมนินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัตติมพวิตรบุคคลอิทินรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้อิทินรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด และมนินทร์ีก็จะเกิดปติมนินทร์ีของบุคคลใดจะเกิดอิทธินทรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อิทธินทรียมูลกะในจบปุริจินทรียมูลกะใน407อนุปุริสินทร์ของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินทร์ีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจชิมพวิกะบุคคลปุริสินทร์ีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด ชีวิตินทรียีไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้ปุริสนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็จากเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดจากเกิดบุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุบุริสินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดสมนัสสินทรียีของบุคคลนั้นก็จากเกิดใช่ไหมวิปฏิทินพวิกรบุคคลและบุคคลเราใดมีจิตเป็นอุเบกขาจากอุบัติ แล้วปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั <Yes, planning, ้นเคยเกิดแต่สมนณสินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสมณสินสีก็จะเกิดปฏิโสมณสินสีของบุคคลใดจกเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปุริสินสีของบุคคลใดเคยเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิปัจชิมภวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดมีจิตเป็นสมณะจากอุบัติและปรินิพานปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคนนอกนี้ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินสีก็จะเกิดปฏิอุเปกินจีของบุคคลใดจะเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ ปุริสินสีของบุคคลใดเคยเกิดสัตตินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพระวิตรบุคคลปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัตตินสีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัตตินสีก็จะเกิดปฏิสัตตินสีของบุคคลใดจกเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ ปุริสินซีของบุคคลใดเคยเกิดปัญญินรีย์มินินซีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชินพรวิกะบุคคลปุริสินซีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่เมินินซีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ปุริสินซีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและเมินินซีก็จะเกิดปฏิเมินินซีของบุคคลใดจกเกิดปุริสินซีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ ปริสินทริยมูลกะในจบชีวิตินทริยมูลกะในสีน่ร้อยแปดอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดสมณสินรีย์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเปลียนด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สมณสินรียไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้ชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสมนสินท์สีก็จะเกิดปฏิโสมนสินรสีของบุคคลใดจะเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อันุชีวิตินทรียีของบุคคลใดเคยเกิดอุเบกินรสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในลำดับแห่งจิตนั้นชีวิตตินซียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเป็ขินรียไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเป็ขินรียก็จะเกิดปฏิอุเป็คินรีของบุคคลใดจกเกิดชีวิตตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สัตทินทรียีไม่ใช่จะเกิดบุคคล น, นอกนี้ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัตทินทรียีก็จะเกิดปฏิสัตทินทรียีของบุคคลใดจกเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินทรีย์ปัญญินทรีย์ มณีนิจของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงเรื่อปัจฉิมจิตชีวิตจินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ชีวิตจินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินทรีย์ก็จะเกิดปฏิมนินรีย์ของบุคคลใดจกเกิดชีวิตจินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ชีวิตจินทริยมูลกะในจบ โสมนสินทรียมูลกะใน409อนุโสมนสินสีของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินสีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่สัมปะยุดด้วยโมสมนสัสจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นโสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ สมนัติสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและอุเปกินรียก็จะเกิดปฏิอุเปกินรีของบุคคลใดจกเกิดสมนัติสินสีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสมนัติสินสีของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินรี์ปัญญินรียมนินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตสมนัติสินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่มนินทรียีไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้สมนัสินทร์สีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินทรียีก็จะเกิดปฏิมนินทรียีของบุคคลใดจกเกิดสมนัสินทร์สีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่สมนสินทรียมูลกะในจบอุเปขินทรียมูลกะในสี่ร้อยสิบอนุอุเปขินทร์สีของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินทรียี ปันญินีมนินทีของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตอุเปขินีของบุคคลเหล่านั su, ้นเคยเกิดแต่มนีนีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้อุเปขินีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมนินีก็จะเกิดปฏิมนินีของบุคคลใดจกเกิดอุเปขินีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ ปูเปคินทริยะมูลกะในจบสัถินทริยะมูลกะในสี่ร้อยสิบเอ็ดอนุสัถินสีของบุคคลใดเคยเกิดปัญญินรี์มณินรี์ของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตสัทินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้สถินสีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมณินทรียก็จะเกิด ปฏิมนินรียของบุคคลใดจกเกิดสัจทินรียของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่สัจตินทรียมูลกะในจบปัญญินทรียมูลกะในสี่อสสองอนุปัญญินทรียของบุคคลใดเคยเกิดมนินทรียของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรยียงด้วยปัจฉิม จ, จิตปัญญินรียของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่มญินซีไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ปัญญินรีของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมญินซีก็จะเกิดปฏิเมญินซีของบุคคลใดจะเกิดปัญญินรีของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปัญญินทริยมูลกะในจบ